ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาพบกันถึงเรื่องของท่านโพริ์รัุท์เป็นอนุวาบรรก่อนมาจบลงตอนที่พรานสองคนพ่อลูกเข้าไปยิงเนื้อในตอนยินนี่เป็นอาชีพของพราน มาหาอะไรไม่ได้เห็นทางเนื้อไปกินน้ํามันยิงได้แล้วก็เห็นว่าค่ําเกินไปกลับไม่ได้จึงนด้วางเนื้อไว้ข้างล่างทั้งสองพ่อลูกก็เป็นนอนเป็นบไม้กลัวตายนี่วิสัยของคนเลวเห็นว่าชีวิตของบุคคลอื่นเป็นสมบัติที่ดีของตนเป็นประโยชน์แต่ว่าชีวิตของตนเองเนี่ยกลับเห็นว่ามีค่ากลัวจะตาย ไปยนอนอยู่บนต้นไม้เขาเกลว่าสิงสาราสัตว์มีเสือเป็นต้นอยากัดกินนี่นี่สัยคนเลวเป็นแบบนี้ไม่ได้คิดว่าชีวิตของสัตว์สัตว์ก็มีชีวิตก็รักชีวิตที่แต่เพียงว่าจะฆ่าชีวิตเขามาเลี้ยงตัวเองเท่านั้นคนเลวเป็นอย่างนี้นะต่อไปก็คุยนันต่อไปพรามเนศศาสตร์เมื่อขึ้น เมื่อตื่นขึ้นในเวลาล่วงขึ้นก็เอียงหูคอยฟังเสียงเนื้อร้องยังจะหากินต่อไปอีกในขณะนั้นนานนาครีกาทั้งหลายก็พากันพากันมาแต่งอาศนะประดับบรรดาด้วยดอกไม้ถวายท่านโพดิทัตท่านท่านโพดิทัต ก็กลายร่างจากงูนิรมิตเป็นร่างทิพย์ประทับนั่งเหนืออัสนะด้วยกิริยาผึ่งพายคล้ายท้าสกเทวราชมันดาเนาเรานางนาคลกาก็พากันบูชามัรเลงดนตรีทิพย์แล้วก็จับระบำทำเพลงบำเรอพระโพธิสัตว์ รามเนศาตินเสียงจีงจะงนใจว่านี่ใครกันหนอคิดต่อไปว่าเราจะรู้จักไวจึงได้ปลูกจึงได้ปลุกลูกให้เติ่นขึ้นมาจึงปลูกลูกที่ลูกมันยังนอนหลับมันยังไม่เตื่นเห็นม่าลูกเหนื่อยอ่อนก็เลยปล่อยให้นอนต่อไปรามเนศาทรงใจต้นไม้ ไปคนเดียวเข้าไปดูพระโพริทัศน์แล้วก็มองเห็นเหล่านานาขริยกาเห็นพราหมณเนศสัตว์สําหรับเหล่านานาขริกานะเห็นพราหมณเนศใสเข้าก็พายกันแทะแผ่นดินกลับเป็นหน้าขริภพปล่อยให้ท่านโพริทัศน์ประทับนั่งอยู่แต่ผู้เดียวพรามณเนศใสเข้ายิงก็ใกล้ได้กล่าวถามกันว่า ท่านผู้มีเนตรแดงแล้วก็อะไรมีอกพึงผายมานั่งอยู่กลางป่าชิ้นนี้ท่านเป็นใครนารีสิบนางทั้งต่างแต่งแต่งกายสวยงามยืนเคารพท่านอยู่หญิงบรรดาหญิงท่านหลายพวกนั้นเป็นใคร ท่านเป็นพระอินทร์หรือว่าเป็นยักษ์หรือว่าเป็นนาคซึ่งมีอนุภาพมากนักหนาท่านภูริทัตย์ยินดีฟังคนทั้งหลายเหล่านั้นได้ดํำริว่าเราจะบอกว่าเราเป็นใครคนใดคนหนึ่งที่มีฤทธิ์บรรดาผู้มีอนุภาพมากทั้งหลายรางคนนี้ก็จะต้องเชื่อ แต่ว่าวันนี้เราควรจะพูดตามความเป็นจริงได้อย่างเดียวเพราะเรารักษาอมโบสดจึงนับว่าเราเป็นนาคผู้มีฤทธเดชายากที่คนอื่นจะล่วงเกินได้มานดาของเราชื่อว่าสมุทชาบิดาของเราชื่อว่าทศรสตัวุองเรามีชื่อว่าโพริทัศ พอบอกแล้วก็คิดสักิจใจขึ้น ม, มาว่าพรามคนนี้มีลักษณะเยี่ยมโหดหยาบคายอาจจะไปบอกหมอ ง, งูมาทธอันตรายแก ร, ราการนักสาโบสดของเราก็ไดย่ย ก, ก็นั่นเลยเราจะพาพรามคนนี้เป็นหน้าควิคบตั้งให้มียศศักดิ์ใหญ่โต ให้ทำโอโบสถจะได้ไม่ทําอโบสถของเราอันหนนี้ก่อนตั้งให้มียศศักดิ์ใหญ่โตก็จะทําให้โอโบสถของเรายืดยาวต่อไปได้จึงจะติดต่อไปว่าดูก่อนรามหน้ากวีภพเป็นสถานที่น่าเรืออ่นรมนักเราจะให้ยศแกเจ้าจะให้ตําแหน่งใหญ่โต มาเถิดเราจะพาเจ้าไปเที่ยวนาคไปพบแน่เก่งจริงๆ ร, ร, รามก็บอกว่าข้าวิเจ้ายังมีบุตรอีกคนหนึ่งถ้าบุตรยอมจะไปด้วยก็ย่ายอมไปท่านผู้ดิทัตงบอกว่าถ้าอย่างนั้นจงไปพาบุตรของท่านมาเถอะท่านโบผูิทัติบอกแล้ว บอกให้กขาบอกว่านี่แกไปพาลูกชายมาเมื่อรามคนนั้นไปพาบทชายมาแล้วพระโพดีสัตย์คือท่านโพริทัตจึงพามาว่ายไงจึงพาไปเมื่อพ่อลูกถึงนาบีพบแล้วร่างกายก็กลายเป็นทิศนี่เป็นสภาพอย่างนั้นเป็นของธรรมาดาถ้าทุกคนสามารถจะฝึกอภิญญาได้จะมีความรู้สึก จะรู้ตัวเองว่าถ้าคนด้วยอํานาจของปิญญาเราไปสู่ภพใดก็ตามร่างกายของเราจะเป็นเหมือนคนในภพท่านที่อยู่ในภพนั้นๆอย่างพราหมณ์พวกนี้ก็เหมือนกันเมื่อไปสู่น้าวิภพแล้วร่างกายก็กลายเป็นทิพย์ท่านว่าภูรไทยก็จะยกสมบัติให้มันดาพ่อลูกมากมายพร้อมไปด้วยนางนาคกนิยาจํานวนมาก พ่อลูตองสองก็บริโภคสมบัติอยู่ในหน้าคบิภพนั้นส่วนพระภูดิไทยก็ไม่ได้ประมาคทคงรักาอมโบสดอยู่เสมอถึงกึ่งเดือนก็มาเฝ้าพระราชบิดาและพระราชมารดาเส้นแดงทำถวายแล้วก็ไปเยี่ยมพรามใตายถามทุกสุขเยี่ยมพรานนะ เรียกว่าพรมามก็แล้วกันตอนนี้เขาเป็นพรามแล้วเนี่ยเารักษาโสดเหมือนกันแตถามความสุขความทุกข์พร้อมทั้งการทักทายท่านสมมัทั์ด้วยท่ะสมมทัศน์คือลูกชายของพรามเนสัตพรามเนสั์อยู่ในหน้ากั บ, บิภพคร บ, บหนึ่งปีโดยที่ตนมีบุญน้อยก็คิดถึงลูกเมียทางบ้านจึงอยากจะกลับโลก เห็นหน้าวคภพบเหมือนกับโลกันตนะรกเอาซะแล้วนี่เหมือนกับนกเขามาขังกลงให้กินอยู่แบบสบายๆแต่ไปไหนไม่สะดวกไม่เป็นสรภาพก็เหมือนกับเนสับนี่แหละทึ่มีวิมานเป็นที่เป็นทิพย์มีของวิทิพมีความสวยสดก ด, ด, ดงามแต่อาศัยบุญวาสนาบารมีมีไม่พอทนไม่ไหว จิงกลายเป็นหน้ามีผพที่สดใสมีตารตามีความสวยสดงดงามเหมือนกับนรกมันกลุ่มใจจึงได้ชวนลูกชายกลับแต่คิดว่าถ้าจะบอกกับท่านพระพิทัธั์ตรงๆว่าอยากจะกลับเพราะคิดถึงลูกเมียทางบ้านท่านพระพิทัศั์ก็จะเพิ่มยศศักดิ์ให้มากขึ้นอีกยามจะต้องออกบุญบาอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อท่านพระพุทธทั์มาเยี่ยมจิงกาวพ น, นาถึงสมบัติกับพระพุทธทั์ว่าทรัพย์ที่ประสมบัติของพระองค์มากมายเหลือเกินจะนับจะประมาณไม่ได้พระองค์คงจะพอใจและไม่ปรารถนาอะไรอีกแล้วลิติ์อนุภาพของพระองค์ก็ยิ่งใหญ่ ถ้าจะเปรียบท่าโกสีผู้ร้องเรืองท้าโกสีก็หมายถึงพระอินทร์ก็เห็นแย่พอๆกันท่านพระริทัตได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์ยศศักดิ์ของเราถ้าจะเทียบกันกับท่าโกสีแล้วก็นับว่าเลวมากเหมือนเมล็ดพัน์แร่กระจาศที่อยู่ข้างเขาพระสมเมนิน นี่หมายความว่าที่ประสมบัติของนาคเนี่ยสวยสดงดงามจิตพิจิตในการตาถ้าจะเทียบกับของพระอินทร์เราเทียบกันไม่ได้ต้งไกลกันมากท่านบอกว่าแม้เพียงคนใช้ของท้ากโกศิสกัทถวรรืะเราก็ยังสวยไม่เท่ากับคนใช้ของท่านคนรับใช้นะเราต้องการได้ที่ประสมบัติเช่น เป็นเทวนาเช่นนั้นสิยิ่งได้รักสาวโวสดจู่ที่บรจอมปลวกรามเนศาสตร์เห็นได้ช่องที่ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์กระบุตรออกป่าเสหารเนื้อมานานวันแล้วบรรดาผู้ญาติทางบ้านที่ไม่รู้ว่าเป็นตาย้ายดียังไง ข้าพระองค์อยากจะทูลลากลับไปยังมนุสสนโลกขอพระองค์ได้ทรงโปรดอนุญาตให้ข้าพระองค์ได้กลับไปในเถิดในเถิดพระเจ้าค่ะเป็นอนุวาท่านบดีทัตได้ฟังดังนั้นยนังได้กล่าวว่าเมื่อเราให้ความสุขสําราญกับท่านด้วยเด้วยทิปสมบัติ อันหาไม่ได้ในมนุษย์โลกเพีงเพียงนี้แล้วเมื่อท่านไม่ปรารถนาเราก็อนุญาตและเราจะให้แก้วมณีกับท่านไปด้วยเพื่อปรารถนาเสี่งใดก็จงลึกเอาและจะได้สมความปรารถนาทุกประการนี่แหมดีจริงๆแก้วมณีดวงนี้อยากได้นะ ท่านพรานพามเนสัยก็กราบทูลว่าข้าแต่ว่าโพริทัตพระองค์ตัดมาดังนั้นแล้วก็นับว่าเป็นส่วนกุศลที่น่ายินดีอย่างยิ่งแล้วแต่ข้าพระองค์แก่แล้วมิได้ประสงค์เสียงใดให้มากไปอีกนอกจากอยากจะบดนี่เป็นลีลาเป็นลีลาของคนลูกหลานที่รักดูหน้าคนไว้นะ ถ้าคุณสัญดานมันเลวแล้วก็ถ้ามันมาดียังไงยังไงก็อยา่าไว้ใจไว้ก่อนแต่ถ้าว่าเวลาคุยกันก็คุยได้สัมโมทนิยกถาเรื่องการไม่ไว้วางใจซึ่ ง, งกิจการนั้นไว้ภายในแต่จะเห็นว่าถ้าเราดีที่สุดเมตตาที่สุดแล้วเขายังเลว ถ้าเวลาจะลงโทษก็ต้องลงโทษให้สาสมกับความเลืของเขาเท่ากับความดีของเราที่ให้เขาทั้งนี้หมายถึงอะไรหมายถึงฆ่าเขาให้ตายแต่ว่าวิธีการฆ่าจงอย่าใช้อาวุธแล้วก็จงอย่าใช้กําลังกายวิธีฆ่าก็คืออาเสวันนาจพาลา น, นัง นั่นหมายความว่าปากเราก็คุยด้วยที่เวลาพบความพบกันก็คุยกันตามธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าว่าจงอย่าคบค้าสมาคมในจจิยาแห่งความเลวของเขาเมื่อเขาอยากจะเลวก็เลวไปแต่ผู้เดียวเราไม่ประพฤติความเลวตามเขาจงรักษาความดีไว้ วิธีนี้เป็นวิธีการฆ่าคนในพระพุทธศาสนาคือไม่ได้หมายถึงว่าทำลายชีวิตแต่ว่าจิตของเราไม่ยอมรับความชั่วของเขาเอามาประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จงอย่าอ้างอาจงอย่าอ้างถึงสังคมบีบบังคับความดีความเลวมันอยู่ที่ใจของเราฟังกันต่อไป พระดุเทาเจ้าจท่านบริทัตินีเคยกล่าวว่าถ้าท่านครามรักษาพรหมจรรย์ไว้ไม่ได้และเกิดความจำเป็นอันใดเกิดขึ้นก็อย่าอย่าอมความหมาย ว, ว่าอย่าปิดบังไว้จงมาหาเรานี่พระพุทธพูดนะ พรามรับคำแล้วพระโพธิทัศน์ก็ตรัสเรียกนางนาคคมนพสั่งให้พาพรามไปส่งยงมนุษยสโลกพอถึงเมืองมนุษย์ไอพพพพ้เจ้าพรามเนี่ยต่อไปมันเป็นผลร้ายมากพรานก็เป็นพรานที่ตอนนี้เป็นพรามแล้วความจรงมันเป็นพรานมันเป็นคนใจร้ายฆ่าสัตว์ตระจีวิตเมื่อมนุษย์ถึงมนุษย์สโลกในขณะที่กําลังเดินทางไปบ้าน รามก็ได้ขึ้นได้ชี้บอกลูกชายว่าเราเคยมายิงเนื้อแล้วก็ยิงสุกรที่นี่พอถึงสับปุกรณีแห่งหนึ่งก็ชวนลูกชายลงอาบน้ำขณะนั่งเครื่องบรรดับและผ้าทิพก็อันตรธานหายกลับไปอย่างน้าขวีพบห้าชุดเก่าที่เคยนุ่ง ม, มาได้ก่อน พร้อมเบญโนและลูกศรหน้าหอกก็ปรากฏมีตามเดิมสมันทัดลูกชายที่ที่ร้องให้ดีความเชิดใดไส่ไฟพระมีดาก็จึงได้ปลอบว่าเจ้าอย่าวิตกไปเลยตราบใดที่เนื้อในป่า ย, ยังมีอยู่เราก็จะฆ่ามาเลี้ยงชีพกันต่อไปและสองคนพ่อลูกก็เดินทางผัานกับบานนิสันดานเร็ว ล้วงปูมบอกแล้วว่าคนที่มีสันดานเลวมันก็ต้องเลวเป็นปกติเขาให้อยู่เป็นสุขมันก็อยู่ไม่ไหวที่เวลานี้ก็เหมือนกันเราจะเอาเอาใครเ่ะเอาเปรดไปครองบ้านครองเมืองครองตำบลครองหมู่บ้านครองเพลครองจังหวัดเขาก็จะแสดงนิสัยเปรตคิดว่าข่มขู่ชาวบ้านออกมา แต่ถ้าเอาเทวดามาครองเมืองเห็นไหมนะเอาครองหมู่บ้านครองตำ บ, บนครองอำเภอก ร, รุงอยุธยาคนในหมู่บ้านนั้นๆในเขตน น, นั้นก็จะมีความสุขและลูกหลานอทั้งหลายอาจจะคิดว่าเปรตเอามาจากไหนล่ะเอาเทวดามาจากไหนคําว่าเปรตนี้ตามบาลีถึงกล่าวว่ามนุษย์เปโต คือว่าใจร่างกายเป็นคนแต่ว่าใจเป็นเปรตเพราะว่าตามธรรมดาเปรตจะมีชีวิตเพออาศัยกันอุทิศส่วนกุศลขามบรรดาคนทั้งหลายเขาจะไม่มีโอกาสหากินในตนของตนเองของเขาเลยนี่คนที่มาบริหารประเทศตั้งแต่กลุ่มเล็กตั้งแต่รัฐบาลมาถึงพันโรง ถ้าหากว่าเป็นคนไม่ดีก็จะมีสภาพเหมือนเปรตตำแหน่งหน้าที่เงินดาวเงินเดือนนะ่ามีอยู่แล้วความจริงเขาให้เกินกว่าที่จะใช้ที่บอกว่าไม่พอนะไม่จริงไอ้คำว่าไม่พอนะไปถามเขาทว่าเขากินข้าวที่บ้านเขาเวลานังกี่บาทเสื้อผ้าชุดในราคาเท่าไหร่ แต่ว่า เ, เงินไม่พอนะ่ะเขาไม่ใช้ใจ่ายอะไรบ้างความจริงเขาไม่ใช้ใจ่ายนอกฤทธอกลอยนอกทางแล้วคนประเภทนี้ก็ต้องหาทางคดหาทางโกงจากทรัพย์สินที่บรรดาประชากรเสียภาสียก่อนเข้าไปหาผลไรายได้จากนำเหงือแรงงานของบรรดาประชาชนทั้งหลายในทานทุจริตมีจิตเหมือนเปรต เาคอยแสวงหาผลจากที่บุคคลหาไปเขาเองไม่ทำยานี้เขาเรียกกันว่ามนุษย์เปตโตถ้าทินใดประเทศใดผู้บริหารประเทศหรือว่าบุคคลที่ปก ค, ครองในเขตต่างๆที่มีอำนาจที่เรียกว่าข้าราชการถ้ามีนิัสเหมือนเปรตที่นั่นก็มีความแต่ความทุกข์ร้อน ที่หงปูว่าถ้าเมืองใดมีเทวันดาปกครองและเขตใดมีเทวันดาปกครองก็ตามพระบาลีทั้งกล่าวว่ามนุษย์สเปตโตให้ขอโทษมนุษยเทโวคือท่านผู้นั้นมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวันดาความรู้สึกของใจเหมือนเทวันดาความรู้สึกของใจของเทวันดาเนี่ยเขมีความรู้สึกอย่างนี้ คือเทวดาทุกคนอายความชั่วเทวดาทุกคนเกรงกลัวผลของความชั่วว่ามันจะมีความเป็นทุกข์เมื่ออายชั่วกลัวชั่วก็ทําแต่ความดีรับรายการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตประกรอบบริภมิหารสี่คือมีเมตตาความรักในในานาจาักที่ตนปกครอง มีความกรุณามีความสงสารเพื่อคูนหาความสุขให้ทุกด้านเท่าที่ความสามารถจะทำได้แล้วก็มีจิตไม่อิจฉานิ่สัญญาใครเหงใครมีความสุขมีความเจริญก็พอใจยินดีปลื้มใจและมีใจวางเฉยจะถูก ด, าด่าถูกว่าถูก ด, าด่าถูกนินทาเพราะคนมาก ถ้าคนคนเดียวจะทำให้โกใจคนทุกคนนะิยมเป็นไปไม่ได้เมื่ออารมณ์อย่างนี้ม้กระทบกระทั่งใจก็วางเฉยไม่แสดงการเด็ดร้อนไม่โกรธไม่เคืองอย่างนี้ท่านเรียกว่าอารมณ์ของเทวดาหากว่าเรามีพ่อบ้านพ่อเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาถึงผ่านโรง มีน้ำใจอย่างนี้ทุกเขตแต่ทุกสถานที่ที่มีคนอย่างนี้ปกครองเราก็มีความสุขเชื่อมีเทวดาปกครองฉะนั้นบังเอิญลูกหลานของโปอแต่บมาเอิญที่กาลังรับประยาการก็ดีมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่งก็ตามหรือว่าจะอยู่บ้านของตนของตามจงทําใจของตนให้เป็นมนุษย์สทโว คือมีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาอายความชั่วจงอย่าทำความชั่วเกรงกลัวผลของความชั่วสร้างแต่ความดีมีจิตประกอบประเดชพระมิหารสี่อย่างนี้ ล, ลูกหลานเองก็มีความสุข บุคคนนี้อยู่ร่วมกันก็มีความสุขถ้าทุกบ้านทุกเรือนมีกำลังใจอย่างนี้บ้านประเทศของเราจะมีได้ความเยืองเย็นมีได้ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองของประเทศก็จะไม่มีมากกว่านี้มากทุกคนจะมีแต่การรักกันไม่มีใครเป็นศัตรูกันจะหลับก็เป็นสุขจะตื่นก็เป็นสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุข เอาคุยกันต่อไปฝ่ายนางพรามณีเมื่อเวลาสามีกระบามาก็ดีใจขั้นต้อนรับจัดหาหันมาเลี้ยงโดยจนอิ่มํนำสำราญพระเนศาสตร์อิ่มแล้วจึงได้หลับไปยา น, นยาจึงได้ถามสมทัตลูกชายว่าเจ้ากับพ่อของเจ้าไปไหนมานานเท่งเพียงนี้ไปถึงหนึ่งปี แม่นอนหนาวไม่ต้งนานสมุททัตเห็นเล่าความให้ฟังโดยตลอดนางยินดีถามต่อไปว่าเจ้านี่เจ้าไปได้อะไรติดมือมาบ้างหรือเปล่าสมุททัตยินเล่าว่าท่านภูริทัตจะให้แก้วสารพัดนึกเก็บพ่อแต่ว่าพ่อไม่รับเอากลับบอกเสีว่าแก่แล้วจากบท นางพรามณีได้ฟังก็โกรธนะจรึงว่าพรามนี้ทิ้งทารกให้ตกเป็นภาระเลี้ยงแก่เราและจะไปเสียในนาไปพบไปนาไปพบมาตั้งนานแสนนานคันกลับมาก็จะออกมาบวถสีอีกเราจรึงได้ตีพรามสามมีด้วยด้วยฉาย ไอ้คำว่าฉายเนี่มันเป็นไม้สงฟางข้าวแล้วคันฉายคันฉายนางสีก็เขียนว่าฉายจะเฉยกว่าทีเป็นคันฉายมีเป็นไม้ไผ่และปะลายมีกิ่งงอมีกิ่งตัดตรงงอไปหน่อยสงฟางข้าวถ้าลูกหลานไม่เคยเห็นก็ไปดูเวลาที่ยยบ้านเขานว่ยข้าวเวลานี้ก็ดูยากแล้วก็วยังมีถอมไปเรียกว่าคันฉายหัวเส้ได้คันฉาย ความกันด่าว่าเขาคำวาบริภาษไอ้พรามชาชั่วน่ได้ยินว่าจะบวชหรือพระโพธิทัตให้แกว้วมณีมึงก็ไม่เอามาทำไมไม่บวชเสียที่นั่นเรากลับมาที่นี่ทำไมเจ้าพรามสามีกำลังหลับเมื่อถูกตีก็ตกใจลอกลุกขึ้นปลอบพัญญาว่านี่ แม่พระมณีจาเธออย่าวิตกไปเลยตราบใดที่เนื้อในป่ายัางมีอยู่ข้าก็จะหามาเลี้ยงเจ้าว่าแล้วก็ชนุชายออกป่าล่าสัตว์เดิมเนินชีวิตแบบเก่าต่อไปนี่เราก็คิดว่าตามธรรมดาสัตว์เลยฉัน มาตัญยามาตั้งให้รับตําแหน่งเป็นข้าราชการมันก็เป็นสัตว์อย่างนั่นแหละเราจะยกย่องสรรเสริญให้ดียังไงก็มีนิสัยของสัตว์ดูตัวอย่างในเรื่องรามเกียรติตอนที่หนุมานรับประยการได้ดีต่อมาเมาสสื่อเสร็จสงครามพระราชใช้หันุมานเป็นครองเมืองมัาก็มีนักสนมนารีมาก ไปไปมาเผล่มันคันหูยกเท้าขึ้นกันเกาหูนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องพายุลมโลกแต่ก็คิดดูว่าขึ้นชื่อว่านิสัยนี่มันทิ้งไม่ได้ถ้าคนเลวมันก็ต้องเลวสัตว์มันก็ต้องเป็นสัตว์มนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์แต่เสี้นด้ ย, ยื่หนึ่งที่มนุษย์เราแยกเป็นหลายประเภท ไปเป็นมนุษย์สเปรตโตใจเป็น ต, ตัวเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตบ้าง ม, มนุษย์สติไรฉ า, านโนกลายเป็นักร่างกายเป็นคนใจเป็นสติไรฉ า, านบ้างมนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดา บ, บ้างเราอยากได้มนุษย์เทโวคุยกันต่อไปว่าครั้งนั้นก็ยังมีครุฑตนหนึ่งอยู่ที่ต้นยิ้วทางมหาสมุทร ภาคใตใช้ปีกกระพือแบวกลมมาในมหาสมุทรนะลงไปเพื่อจะจับนาคราชตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าว่าจับทางศรีรษะก็จับมาทางหัวสมัยนั้นครุดยังไม่รู้วิธีจับนาคยังฉลาดไม่คอจับทางหัวก็เสร็จปล่อยหางให้ห้อยลงมาพาบินเบนเหนือป่าหิมะา ขณะนั้นจะมีพราหมณชาวกาวสิกะไรคนหนึ่งโบสถ์กุลษีสร้างบรรณสารายอยู่ในป่าหิมพานด้านหนึ่งณทางด้านหนึ่งของอะไรจงกรมของฤาษีแล้ด้านหนึ่งเป็นที่จงกรมของฤาษีได้มีต้นไทรด้านหนึ่งซึ่งเป็นที่พักสบายของฤาษีในเวนลากลางวัน พอครุดหิ้วหน้าผ่านมาถึงยอดไซใหญ่ต้นนั้นหน้าก็เลยเอาหางพันเกียงต้นไซไว้เพื่อจะลดให้หลุดจากเงื้อมเล็บของครุธแต่กําลังบินเขายากครุดหนีไม่ไอ้ครุดที่มันปีบบล๊มกําลังมากต้นไซต้นนั้นก็ถอนรากติดหน้าไปด้วยพอไปถึงต้นงิ้วใหญ่อาศัย อาศัยที่ฉีกท่อหน้ากินแต่ก็มันก็เหลวอนะ่าป้าใหม่ที่เขาว่าไงพอไปถึงต้นนิ้วใหญ่ที่อาศัยคือเป็นที่สำหรับอาศัยฉีกเนื้อหน้ากินแต่มันเหลวแล้วนะทิ้งร่างลงไปในท่อมาหาสมุทร ก็หมายความว่าเนื้อหนาามันเละเละไปเสีหมดแล้วไม่ไดีความนี่หนังสือท่าเขียนไม่ค่อยรด้เรื่องเห็นว่าไม่อร่อยก็เลยทิ้งไปอันแล้วกันทิ้งไปทําไงโลกหลานที่รักพอทิ้งตุมพย า, ยานหน้าทิ้งตุ่มนูไปในมหาสมุทรก็เป็นเวลาพอดีหมดเวลาเราจะว่ายังไงต่อไปก็ไม่ได้เพราะเวลาก็สถานีท่านเมตตาปราณีนี่ก็เป็นคุณมากอยู่แล้ว ฉะนั้นขอลูกหลานที่รักผู้มีความดีเหมือนแก้วก็ขอจงทราบว่าเวลานี้หมดเวลาลงปูกขอลา ก, ก่อนขอ ค, ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูนผ ล, ลและความเจริญมาด้วยจากตุลพิธรพร์ชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาภาละและปฏิพานจงมีแต่ลูกหลานทุกคนและเจ้าหน้าที่ของสถานีทุกท่าน ความันจรมันด่านพุทธบริรสักทุกท่านสวัสดี